แล้วก็เมื่อวานลวงพ่อเขาไปเยี่ยมคุณแม่จันดีที่เป็นน้องสาวขององค์หลวงตาป่วยไม่ใช่ป่วยเลยโรคชรานะอายุ80กว่าปีแล้วออกจากโรงพยาบาลสูงอุดรมังกรนนะั่นพระท่านก็เลยมาเรียนให้ทราบลวงพ่อก็เลยถือว่าเป็นผู้มี อุปกรารคุณพะเป็นน้องสาวหลวงตานะพอหลวงพ่อไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนันคันนี้นะทายาทโยมพี่น้องขององค์หลวงตาเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภะถาพระสงฆ์ไม่ใช่อุปถัมภะถากหลวงพ่อองค์เดียวหรอกเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์มาช่วยการช่วยงานทั้งลูกทางหลานครอบครัวของท่านหลวงพ่ออยู่ที่นั่นเป็นเวลาสิปี2 5ง2ันหถึงสองพ ได้ออกมากระนี้ทว่าลูกหลานศรัทธาญาติโยมเป็นผู้มีอุปการะคุณเมื่อหลรงตาไม่อยู่อลงตาผ่านไปแล้วถือเสมือนว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้เข้าไปได้ยินข่าวเข้าไปเยี่ยมไปเยียนมาแต่ทำยังไงแต่เมื่อวานนี้นก็เข้าไปแล้วก็นอนอายุมากแล้วนอนงีเงี่งเลย นอนหลับคงจะอาการมากพอสมควรป่วยอายุแปดสิบกปีก็ยังว่านะั่นแะแต่ก็โดยมากผู้ที่ป่วยก็ไม่ว่าอะไรหรอกผู้ที่ไม่ป่วยผนะู้ที่อยู่ใกลนะ้น่าจะหาหมออย่างนั้นน่าจะหาหมออย่างนี้ผลที่สุดมันจะทะเลาะกันได้ไง่ายเมื่อวานก็บจงดูแล้วกับนั่นแหละหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะ แสดงความคิดเห็นแต่ก็อดไม่ได้ทุกพ่อก็บอกเออหมอทั้งหลายแหละก็ควรจะเปิดใจกว้างให้ช่วยชยกันปรึกษาปารรบกันนะก่อนที่จะวางยาผู้สูงอายุขนาดนี้ก็ต้องช่วยชวยกันคิดนั่นแหละใจจะไปรักษาคนเดียวความคิดของคนเดียวมันก็ใช่ถ้าใจกว้างน่ะก็ดีกว่า พอได้ปรึกษาปรารถกันคนหนึ่งคิดได้ใจหนึ่งคนหนึ่งคิดได้ใจหนึ่งช่วยกันคิดแต่ถ้าว่าคนเดียวคิดนะ่ถ้าถูกก็ถูกไปถ้ามันผิดก็ผิดได้เร็วเสียหายได้ง่ายถ้ามีความถ้าใจกว้างปรึกษาปรารถกันกนค่อยรักษาน่ตอนนั้นจะดีกว่าน่หลวงพ่อเขาพูดอย่างนั้นแต่มันก็ายากสรุปแล้วก็คือมันก็ายากไปเยี่ยมคุณแม่เสร็จแล้วก็ ได้มาที่วัดป่าภูนาหลาวเมื่อคืนนี้ท่านจะวางศิลาฤกษ์จะสร้างอาคารบูรพ า, ารยา์ก็เป็นอาคารขึ้นมาสำหรับบรรจุหรือว่าเป็นที่ปดิสฐานรูปเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือวันนี้ก็ว่าจะวางศิลาฤกษ์แต่หลวงพ่อไม่ไป แต่เมื่อ ว, วานหลวงพ่อไปสวดมนต์กับคณะสงฆ์เสร็จแล้วก็ในมณฑลหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้เทศเมื่อคืนนี้ที่วัดภูนาหลาวแต่หลวงพ่อก็ทําเหมือนกันนะหลวงพ่อก็ทําเหมือนกันทําหอประฏิสฐานเรียกว่าพระบุรพา a j ย์เนี่นกาลังทําอยู่หนะลวงพ่อให้ทํา สำลังแกะสลักจังหวัดเชียงรายอาจารย์ที่แกะพระพุทธรูปหินอ่อนภูก้อ น, น, นเป็นผู้แกะสลักแต่ราคาแพงนะแกะหินอ่อนไม่เหมือนรอด้วยทองเหลืองแกะด้วยโลหะแกะด้วยหินอ่อนหินคาลาลาประเทศอิตาลีหินขาวหลวงพ่อได้สั่งหลวงปู่มั่นรูปหนึ่งหลวงตามหาบัวรูปหนึ่ง หลวงปูล่ารูปหนึ่งและก็บคุณแม่ชีแก้วสองรูปคุณแม่ชีแก้วทำไมจึงสองรูปรูปหนึ่งจะเอาไปไว้ที่เจดีบ้านห้อยทรายแทนไฟเบอร์ไฟเบอร์มือคงจะไม่ทนจะเอาไปแทนอง์ไฟเบอร์เอาเป็นหินอ่อนไปแทนแล้วก็องค์ไฟเบอร์ก็จะเอาลงมาไว้ข้างล่าง อ, องที่อยู่ข้างล่างจะเอามาไว้ที่ศาลา ทางในวัดแต่องค์หนึ่งเอามาไว้ที่วัดของเราเอามาไว้ตรงที่นี่แหละที่เรากําลังสร้างใหม่เนี่ยเนี่ยมีสามองค์แล้วก็มีคุณแม่นั่งอยู่ข้างๆคุณแม่นั่งพระเพียบหยุกชั้นล่างอ่คุณแม่ถือเสมือนเป็นแม่ทางธรรมะของหลวงพ่อเหมือนกันถือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณ สำหรับหลวงพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีน้ำใจแล้วก็เป็นผู้มีคุณธรรมเพราะ น, นั้นสมควรยิ่งที่จะต้องเทิดทูนบูชาพรกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นประทาตอย่างที่องค์หลวงตามหาบัวรับรอง อ, อันนี้ ค, คือวัดของเราเรา ก, กำลังทาอยู่แต่หินอ่อนมาแล้วของหลวงตามาก่อนแล้ว ลูกเหมือนลงตามมาแล้วต่อมาก็คงจะเป็นหลวงปู่มั่นต่อไปก็คงจะเป็นหลวงปู่ล่าและก็คุณแม่ชีแก้วอันนี้ก็เป็นบูรพาจาร a ์ที่หลวงพ่อพูดเมื่อคืนนี้เรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่ง ส, สิทยิญาณุสิทธิท้งหลายต้องถือเป็นต้องเทิดทูนเชิดชูบูชา ถ้าคนเราเกิดมาแล้วไม่มีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนพวกเราจะเฉลียวฉลาดได้อย่างไรจะรอบรู้ได้อย่างไรมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังครั้งนี้บงังฟังครั้งหน้าบางังฟังศึกษาจากเทปจาก M.P. 3สบงังจากตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกบงังหรือว่าธรรมลิขิตของครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนเอาไว้แนวทางปฏิบัติของแต่ละองค์ เราก็ได้ศึกษาจากนั้นเราก็จะได้เลือกเฟ้นในสิ่งที่เหมาะกับจิิตของเราเมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็เลือกเฟ้นจากนั้นก็นํามาประพฤติธปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราต่อไปจิตใจของเราก็จะได้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ลุงพ่อพูดเมื่อคืนนี้ลุงพ่อบอกว่าครูบาอาจารย์ก็จําเป็นสําคัญนะถ้าคบครูบาอาจารย์ไปในทางที่ผิด ก็ไปในทางผิดได้ตกนรกอเวจีได้ถ้าว่าครบครูบาอาจารย์ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐ<ๆ>ิก็จะเจริญรุ่รงเรืองได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้แต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอย่างนี้กัก็คงจะคิดว่าเอาทําไมครพบครูบาอาจารย์แล้วทาไมจึงตกนรกอเวจีให้หลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบ ว, ว่าผู้ที่ คบสมคบหรือว่าเคารพนับถือพระเทวทัตเชื่อฟังถ้อยคําของพระเทวทัตก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเทวทัตก็เป็นผู้มีเหตุผลเหมือนกันเป็นเจ้าฟ้าชายเหมือนกันแต่มีคนนับถือเริ่มใสเคารพตามพระเทวทัตพระเทวทัตก็ชักนําไปในทางที่ไม่ถูกต้องตกนรกเอเวจีเป็นละนาวไปเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเชื่อถือ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระโบรคราสา ร, ริบุตรกัสจปะอานน์ไปแนะนําไปในทางที่ถูกต้องก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมมากโตมากเพราะนั้นการคบค้าสมาคมระหว่าการเข้าไปศึกษาต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความรอบคอบต้องใช้หลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกเงาเหมือนกันท่านองค์นี้ ่ไม่ใช่ว่าเราชอบใจในคำพูดของท่านในการอาจฐานของท่านแสดงออกม า, าถูกกับกจติตของเราเราก็จะไปเคารพนับถือเรื่อมใสอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่น่าจะถูกเราต้องเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบการพูดอย่างนี้การแสดงอากักขริยอย่างนี้สินและวินัยของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไหม ถ้าทําอย่างนี้แล้วก็เปรียบเทียกบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาแนวแถวของทำมาเลกขีของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มรณะภาพไปแล้วที่พวกเราได้พระราชทานเพลิงหรือว่าประชุมเพลิงของท่านกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้รู้ได้เห็นท่านทําอย่างนี้ไหม ท่านพาดำเนินอย่างนี้ไหมสิ่งเหล่านี้พวกเราก็จะต้องนํามาเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบแล้วเราก็จะได้ยึดตามแนวแถวที่ท่านพาดําเนินไปในทางที่ถูกต้องแล้วอันนี้คือสัมมาทิฏฐิเพราะตรวจตราดูทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไปในแถวแนวเดียวกันอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเราต้องเปรียบเทียบ พอเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราจะไปใช้ความคิดของเราเรียกว่ากลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้แสดงความคิดเห็นและก็เชื่ออย่างสุดต่งอย่างนั้นมันก็น่าคิดเหมือนกันนะไงทำไมจึงวนหน่าคิดนี่แหละอาณาธพระในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุบัติขึ้นในโลกแท้ในยุคเดียวกันพระพุทธเจ้าคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งไปสวรรค์นิพพาน กรมหนึ่งพาเลดตรงไปสู่นรกอเวจีนะมันน่าคิดเหมือนกันนะเพราะเหตุใรเพราะสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฐิคำนี้เนะี่ยไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยสมัยครั้งพุทธกาลก็มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฐิเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวยิ่งกว่ามิจฉาทิฐิ คือมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจุดนี้เนะี่ยทําให้จิตใจของคนมืดบอดแล้วก็ไปสู่เอเวจีมหานรกไปตกนรกก็คือโลกันตานรกโลกันตานรกเเป็นนรกที่มืดแปดทิศแปดด้านเหมือนกับเราเขาอยู่ในกระป๋องกระป๋องปลาแล้วเขาปิดแน่นแน่นบัดกรีดีๆอย่างนั้นนะ่ะอนรกโลกันตานรก เราเข้าไปอยู่ในอย่างนั้นอ่ะเข้าไปอยู่ในกระป๋องระเบิดบัตรกรีกระป๋องให้ดีๆอย่างนั้นอ่ะมันมืดขนาดนั้นผู้ที่ตกนรกโลกันตะนะอาเวจีมหานรกถึงจะทุกร้อนขนาดไหนก็ยังยังมีช่องมีทางยังมีเปลว อ, ออกมาอยู่แต่โลกันตะนรกเนี่ยมันมืดขนาดนั้นเพราะนั้นน่ากลัวที่สุดคือโลกันตะผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสู์อย่างนี้พวกเหล่านี้นะไปสู่นรกที่น่ากลัวที่สุดก็คือโลกันตาะนะคือไม่ได้ศึกษาแล้วก็เอาตามความเห็นของตนเอง น, ะนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันต้องมีครูบาอาจารย์ที่เมื่อวานี้ท่านได้สร้างอาคารขึ้นมากับเพื่อให้ พระบุรพาจารย์คือพระอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติของท่านแล้วเป็นผู้ดำรงทรงหลักพระธรรมวิ น, นัยเป็นผู้สุปฏิปนโนจุปฏิยยะสามิจิเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราจึงได้สร้างอาคารขึ้นมาเพื่อ ประฏิสถานได้ให้องค์ท่านเหล่านั้นได้นั่งพี่น้องประชาชนก็ได้มากราบมาไหว้เคารพสักการะบูชาเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับผู้ที่ได้มากราบมาไหว้นี่แหละเมื่อวานเมื่อคืนหนุ่พ่อก็ได้พูดในจุดนี้แล้วก็เนี่ยของเราก็กําลังทําอยู่เนี่ยเพื่อบรรจุลูกเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใส จบแล้วก็คือครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ถ้าไม่ใหญ่กับพ่อก่อกับครูพวกเราอาจจะเดินสเปสะสปะผิดที่ผิดทางไปได้แต่ยุคนี้สมัยนี้กันเนี่ยนะให้ฟังเอาไว้ธรรมเทศนาขององค์หลวงตาหลวงตาเนี่ยนะเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเครื่องพานําให้ฟังฟั ง, ฟงศึกษาองค์หลวงตาเนี่ยท่านพูดหลาย เล่เหลี่ยมหลายเลศในแนะนำพี่น้องประชาชนชัตทชายญาติโยมลูกหลานให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งควรพูดสิ่งไม่ควรพูดนัน แ, แล้วก็สิ่งควรคิดสิ่งไม่ควรคิดท่านแนะนำสั่งสอนถี่ถ้วนหาได้ยากในยุคปัจจุบันเพราะนั้นพวกเราต้องศึกษาถ้านะนะศึกษาแล้วก็นำมากากรองไตรตรอง จากนั้นมานํนำมาประพฤติธปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราด้วยนะไม่ใช่ฟังแล้วแบบเฉยก็ไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกันฟังแล้วก็แล้วไปถ้าฟังแล้วก็นำมาทบทวนกันกลองจากนั้นก็นำมาประพุทธปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราที่ท่านสอนสอนอย่างไรเรื่องสมาธินะเราทำจิตใจยังไงเรื่องสมาธิบริกรรมยังไงเรื่องสมาธิลงตาสอนละเอียด เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเดินมักอย่างไรรักษาศีลอย่างไรในการอยู่ด้วยกันในครอบครัวพร้อมเพียงสามัคคีพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลานปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องเป็นธรรมลงตาสอนไว้หมดเพราะนั้นพวกเราเดินตามแนวแถวบัณฑิตนักปราชญ์ไม่มีทางจะตกต่ำมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนโมธนาให้พร